สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิที่อำนาจของพระเยซูตอนที่ห้าเหนือโรคภัยไข้เจ็บพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่ห้าพระธรรมมาระโกบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบห้าจนถึงข้อที่สามสิบสี่โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้สิบสองปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลาบากมามาก มีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็ม่ได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นคันผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเขาก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นก็รู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว บัดเดี๋ยวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้วจึงเหลียวหลังจัดว่าใครถูกต้องเชื่อของเราฝ่ายเราสาวกก็ทูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกํนาลังเบียดเสียดพระองค์และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราแล้วพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้น ก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิน้นพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิดพี่น้องครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทําให้เรารู้ว่าขณะที่พระเยซูกําลังเดินไป ไปบ้านของยายรัสนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ่นอย่างหนึ่งครับก็คือใช้เวลาไม่นานนะครับและยังเป็นสิ่งที่ทดสอบความเชื่อของยายรัสให้มากขึ้นด้วยผู้บันทึกภากิติคุณทั้งสามเล่มเล่าตรงกันนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลาสิบสองปีคำว่าโรคตกโลหิตหรือโลหิตตกนั้นก็คือว่าเป็นการไหล ของเลือดนะครับที่ออกมากับผู้หญิงนะครับเขามาที่ข้างหลังพระเยซูและแตะชายฉลองพระองค์พี่น้องครับปกติแล้วพระเยซูจะต้องสวมเสื้อคลุมชั้นนอกเหมือนกับชาวยิวที่เคร่งขัดนะครับและชายเสื้อคลุมนั้นก็จะมีผู้ตามบทบัญญัติของยิวซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เมื่อหลายศตรวรรษก่อนปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะครับกันดารวิถีถ้าพี่น้องสนใจ กันดาวิถีบทที่สิบห้าข้อที่สามสิบแปดสมสิบเก้านะครับผู้เหล่านี้ครับเป็นเครื่องเตือนใจให้เหล่ารชากรได้รละลึกถึงบทบัญญัติทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามมัทธิวบันทึกว่าผู้หญิงคนนี้คิดในใจครับว่าถ้าเราได้แตะต้องชายฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคมาร์โกและลู ก, การเล่าว่าผู้หญิงคนนี้ได้ใช้เงินของนางไปเพื่อการรักษาจนหมดตัวตลอดสิบสองปี เป็นเวลาที่นานมากทีเดียวแต่ไม่สามารถหายจากโรคได้มราร์โกบันทึกว่าโรคกำลัาเริบ ม, มากยิ่งขึ้นครับแสดงว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้ได้ตกอยู่ในความยากลําบากตกอยู่ในความที่ว่าสังคมรังเกยียจเพราะเนื่องจากว่าถ้าใครก็ตามที่มีเป็นโรคตกโลหิตหรือเป็นโรคนี้นะครับเขาจะถือว่าตัวเป็นมลทินครับเมื่อตัวเป็นมลทินเขาก็จะต้อง ออกจากสังคมเวลาไปไหนมาไหนในตลาดจะต้องร้องว่ามนทินมนทินมนทินคล้ายคลึงกับคนโรคเรือนเลยทีเดียวพี่น้องครับเพราะเจะน้นาของพระเจ้าบันทึกในพระกิตติคุณทั้งสามเรมว่าทันทีที่บุ้หญิงคนนี้แตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูโลหิต ท, ที่ตกก็หยุดแห้งไปมาระโกบันทึกว่าหญิงคนนี้รู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วยางไงก็ตามครับ การกระทําของญิงคนนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากตามกฎบัญญัติของชาวยิวญิงคนนี้มีมนทินนะครับหมายความว่าห้ามนางเกี่ยวข้องกับสังคมเพราะนางไปแตะต้องผู้หนึ่งผู้ใดคนนั้นจะมีมนทินไปด้วยการมีมนทินตามพิธีหมายความว่าคนนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นต้นว่าเข้าเทศการหรือเข้าไปถวายบูชาในสมัยนั้นประชาชนมีความเชื่อว่าบุคคลที่มีโครคภัยไข้เจ็บอย่างร้ายแรง หมายความว่าบุคคล น, นั้นได้กระทําผิดบาปอย่างใหญ่หลวงครับสังคมไม่ยอมรับผู้ป่วยโรคเรื้อนคนถูกผีสิงและผู้หญิงที่เป็นโรคแบบนี้เห็นได้ชัด น, นะครับว่าเหล่าประชาชนไม่รู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้นั้นแฝงตัวมาครับผู้หญิงแฝงตัวมาอยู่ท่ามกลางพวกตนผู้หญิงคนนี้มีมนทินพวกเขาจะต้องแยกตัวจากผู้หญิงคนนี้โดยเร็วผู้หญิงคนนี้ต้องได้รับโทษนะครับในที่สุดแต่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่ผู้หญิงคนนี้แตะต้องชายฉลองพระองค์ของพระเยซูมรารักโกบันทึกว่าพระเยซูทรงรู้ครับนะครับทรงรู้ว่าฤทธิ์นั้นซ่านออกจากพระองค์ไปยังผู้อื่นพระองค์ทรงหยุดดำเนินและสัตว์ว่าใครถูกต้องเชื่อของเราพี่น้องครับเพระจนาพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราสงสัยว่าพระเยซูรู้หรือไม่รู้ครับพี่น้องว่าพระเยซูทราบหรือไม่ทราบครับพระองค์ทรงทราบครับ แน่นอนพระองค์รู้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าพระเยซูกาลังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้แสดงตัวนะครับแสดงตัวเพื่อที่จะเป็นอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับการปลดปล่อยครับปลดปล่อยจากความเจ็บไข้ได้ป่วยปลดปล่อยจากภาวะการถูกสังคมรังเกลียจปลดปล่อยจากสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของนางมาเป็นเวลาสิบสองปี พียงครับพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปว่าพระเยซูหันมาและเห็นผู้หญิงคนนี้นะครับเห็นผู้หญิงคนนี้พระ เ, ระเยซูทรงรู้ครับเพราะพระเจ้าของพระองค์ได้พูดชัดเจนนะครับว่าพระองค์ทรงรู้ว่าใครนะครับพระองค์ประสงค์ที่จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้นเห็นไหมครับในข้อที่สามสองประสงค์จะให้ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิ่งนั้น แสดงว่าพระเยซูรู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเป็นโรคยังไงมีวัตถุประสงค์อย่างไรและพร ะ, พระเยซูทรงทราบนะครับว่าเธอด้วยความเชื่อของเธอเธอยื่นมือมาแตะชายฉลองพระองค์นะครับที่นี่ทำให้เรารู้ว่าผู้ที่บันทึกพระธรรมทั้งสามเล่มนั้นไม่ได้กำลังบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่วิเศษครับแต่ กำลังบอกว่าพระเยซูนั้นมีฉิที่อํานาจนะครับเหมือนกับว่าถ้าเรามองถึงนิทานในสมัยโบราณก็คือว่าไปแตะอะไรแตะอะไรลิบชาตออกมานะครับอันนี้จะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วผู้เผยพระวจนะหรือระดับของพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้านั้นพระองค์ทรงทรงาบแน่นอนครับว่าใครเป็นคนแตะตัวของพระองค์เองนะครับแต่พระเยซูกําลังเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้พู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงคนนี้ครับกลัวจนตัวสั่นทำไมเธอต้องกลัวจนตัวสั่นครับเพราะเธอรู้ว่าเธอทําผิดอย่างใหญ่หลวงและเธอทําให้พระเยซูนั้นเป็นมนตินไปด้วยครับเป็นมนตินไปด้วยเพราะฉะนั้นเธอกลัวจนตัวสั่นและรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหญิงคนนั้นหตอบกราบลงต่อเบื้องพระพักพระเยซูและทูลสารภาพความเป็นจริงพระเยซูตรัสเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าลูกหญิงเอย๋ยแสดงว่าพระเยซูรับ ร, รับการสารภาพบาปของเธอรับชีวิตของเธอเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดพี่น้องครับครั้งนี้นะครั บ, น, บนับเป็นครั้งเดียวในพระกัมพีใหม่ที่พระเยซูทรงเรียกผู้หนึ่งผู้ใดว่าลูกหญิงเชื่อแน่ว่าพระองค์เชื่อแน่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับคงจะเก็บถ้อยคำของพระเยซูประทับไว้ตราตึงหัวใจ ตราตรึงจิตใจเช่นเดียว ก, กันกับที่พระเยซูรักษาตัวเองให้หายครับพี่น้องครับเพระเาะชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้สร้างความประทับใจให้กับผมส่วนตัวมากก็คือว่าไม่เพียงแต่พระเยซูรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นพระเยซูทรงรับเขาเป็นลูกด้วยทรงรับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเช่นเดียวกันครับเมื่อเราได้พบกับการอัศจรรย์ของพระเยซูสิ่งที่สาคัญก็คือว่าผลพวงแห่งการอัศจรรย์ซึ่ง เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือให้เรากลับใจใหม่ให้เราได้ดำเนินชีวิตกับพระองค์ให้เราได้ถวายชีวิตให้กับพระองค์เพื่อที่จะให้พระองค์ทรงใช้เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าลูกหญิงเอย๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อที่สาคัญม า, มากที่สุดในชีวิตของเขาก็คือว่าจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดพี่น้องครับ การหายโรคที่พระเยซูรักษานั้นเป็นการหายโรคอย่างถาวรครับและพระเยซูอวยพรผู้ที่มีความเชื่อและอวยพรผู้ที่สารภาพบาปอวยพรผู้ที่กลับใจชีวิตของเขานั้นจะมีแต่ความสุขตลอดไปอาเมน